ราชสูตรว่าด้วยความคลั่งครามและความกล้กลาหาภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการย่อมถึงความคลั่งคร้ามธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ทุศีล 3. เป็นผู้มีสุตตะน้อย 4. เป็นผู้ขยียดคร้าน เป็นผู้มีปัญญาสามภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แหลย่อมถึงความคลั่งครา้าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธา2เป็นผู้มีศีล 3. เป็นผหูสูตร 4. เป็นผู้ปรารบความเพียน 5. เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าสารชสูที่8จบ 9. อุทายีสูตรว่าด้วยพระอุทายีข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโศตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นแลท่านพระอุทายีมีครหัดบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมนั่งแสดงธรรมอยู่ท่านพระอานน์ได้เห็นท่านพระอุทายีมีครหัดบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมนั่งแสดงธรรมอยู่ จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอุทายีมีครหัตบริษัทมู่ใหญ่แวดล้อมนั่งแสดงธรรมอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นมิใช่ทาได้ง่ายภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่น พึงตั้งทำห้ประการไว้ในตนแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นทำห้ประการอะไรบ้างคือพิษุพึงตั้งใจว่า 1. เราจะแสดงธรรมไปตามลำดับ 2. เราจะแสดงอ้างเหตุ 3. เราจะแสดงธรรมอาศัยความเอนดู 4. เราจะเป็นผู้ไม่เพ่งอามิ t แสดงธรรมเราจะไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่น อานนการแสดงธรรมแก่ผู้อื่นไม่ใช่ทําได้ง่ายพิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่คนอื่นพึงตั้งธรรมห้าประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นอุทายีสูที่9จบ ทกปติวิโนทยสูตรว่าด้วยทำที่บรรเทาได้ยากพิสุทั้งหลายทำห้าประการนี้ที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยากทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ราคาที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก 2. โทสะที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก 3. โมหะที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยากส ปฏิพานที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก 5. จิตคิดจะไปที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยากภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้แลที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยากทุ ป, ปฏิวิโนทยสูตรที่10บจบสัทธธ ร, รมวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. นึ่งปทมสัมมาตนิยามสูตร 2. ทุติยะสัมมาตนิยามสูตร 3. ตติยะสัมมาตนิยามสูตร 4. ปฐมสัธรรมสัมโมสสูตร 5. ทุติยะสัตธรรมสัมโมสสูตร 6. ตติยสะสัตธรรมสมโมสูตร 7. ทุกะกะถาสูตร 8. สาราสูตร 9. อุทายีสูตร 10. ปฏิวินวย์สูตร 2. อ, อาคาตะวักหมวดว่าด้วยอาคาต 1. ปฐมมอาคาตะปฏิวินยสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาคาสูตรที่หนึ่ง ภิกษุทั้งหลายอุบายกาจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกาจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายกาจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุพึงเจริญเมตตาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกาจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ 2. ภิกษุพึงเจริญกรุณาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาต ภ P P shrine shrine like ิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ 3. ภิกษุพึงเจริญอุเบกขาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ 4. ภิกษุไม่พึงระลึกถึงไม่พึงมานาิการถึงบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ 5.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 ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แหลเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงปฐมมะอาฆาตะปฏิวิญยสูตรที่หนึ่งจบ สองทุติยอาคาตะปฏิวิญยสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาคาตสูตรที่สองณที่นั้นแหลท่านพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายอุบายกาจัดอาคาหประการนี้ เป็นเครื่องกําจัดอาฆาต ท, ที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายกําจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ 2. ภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ 3. ภิกษุพึงกำจัดอาคาดในบุคคลผู e, ้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสายทางใจตามการอันควร 4. ภิกษุพึงกำจัดอาคาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสายทางใจตามการอันควร 5. ภิกษุพึงกําจัดอาคาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ut, และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมสายทางใจตามการอันโคนบรรดาบุคคล5าจำพวกนั้นภิกษุพึงกําจัดอาคาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ut, อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์ แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดพบผ้าเก่าที่ถนนเหยียบให้มั่นด้วยเท้าซ้ายขีย่ออกดูด้วยเท้าขวา ส่วนใดยังใช้ได้ก็เลือกถือเอาส่วนนั้นแล้วจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใด ภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ถูกสาหร่ายและแหน่คลุมไว้คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาจึงลงสระน้ำนั้นแหวกสาหร่ายและแหนด้วยมือทั้งสองแล้ว กรอบน้ําขึ้นเดิมแล้วจึงจากไปภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาก็ไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรอย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์ ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็ไม่พึงใส่ใจในส่วนนั้นในเวลานั้นแต่การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิษุ พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคคนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าน้ำเล็กน้อยมีอยู่ในรอยเท้าโคนี้ถ้าเราจะ ก, กอบขึ้นเดิมหรือใช้ภาชนะดักเดิมก็จะทำน้ำนั้นให้ไวบ้างให้ขุ่นบ้างให้ไม่ควรดื่มบ้างทางที่ดี เราควรจะคุกเขา่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วจึงค่อยไปเถิดเขาจึงคุกเขา่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วจึงจากไปภิกษุพึงกําจัดอาคาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุพึงกําจัดอาคาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจ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 พึงละวจีทุจริตแล้วเจริญวจีสุจริตพึงละมโนทุจริตแล้วเจริญมโนสุจริตข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านผู้นี้หลังจากตายแล้วอย่าไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกเปรียบเหมือนคนเจ็บป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักเดินทางไกลแม้ข้างหน้าเขาก็มีบ้านอยู่ห่างไกลแม้ข้างหลังเขาก็มีบ้านอยู่ห่างไกล เขาไม่ได้อาหารที่เป็นสัปปายะยาที่ตรงกับโรคคนพยาบาลที่เหมาะสมและผู้ที่จะนําทางไปสู่บ้านคนบางคนที่เดินทางไกลพึงเห็นเขาจึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในเขาว่าโอ้ท่านผู้นี้ควรจะได้อาหารที่เป็นสัปปายะยาที่ตรงกับโรคคนพยาบาลที่เหมาะสมและผู้นําทางไปสู่บ้าน ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านผู้นี้อย่าถึงความพินาศเสียหายณที่นี้เลยภิกษุพึงกำจัดอาคาตในบุคคล น, นั้นอย่างนี้ภิกษุพึงกาจัดอาคาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ยความเลื่อมใสาทางใจตามการอันควรอย่างไร คือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้ช่องแห่งใจและได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรแม้ความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้การได้ช่องแห่งใจ ได้ความเลื่อมสายทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ใสจืดสนิทเยน็นสะอาดมีท่าเทียบน่ารื่นรมดารดาษไปด้วยต้นไม้นานาพันคนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาพึงลงสระน้ำนั้นอาบบ้างดื่มบ้าง แล้วขึ้นมานั่งบ้างนอนบ้างที่ร่มไม้ใกล้สระน้ำนั้นภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคล น, นั้นอย่างนี้ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยบุคคลที่น่าเลื่อมใสจิตจึงเลื่อมใสอุบายกําจัดอาฆาตหประการนี้แหลเป็นเครื่องกําจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิง ทุติยอาคาตะปฏิวินญาสูตรที่สองจบ 3. ส, สากัฉสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ควรสนทนาด้วยหนะ้าที่นั้น ท่านพระสารีบุตรเรื่องภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าละถึงจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการเป็นผู้ควรสนทนากับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและตอบปัญหาที่มาในเรื่องศีลสัมปทาได้ 2.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 และตอบปัญหาที่มาในเรื่องวิมุติยานทัศนะสัมปทาได้ผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลเป็นผู้ควรสนทนากับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายสากัจสูตรที่3จบ อาชีวสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ควรแก่สาชีพณที่นั้นท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าละถึงจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นผู้ควรแก่สาชีพของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้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 5้ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุติญาณทัศนะและตอบปัญหาที่มาในเรื่องวิมุติญาณทัศนะสัมปทาได้ผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลเป็นผู้ควรแก่สาชีพของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายอาชีวสูตรที่4จบ าปัญหาปุจชาสูตรว่าด้วยการถามปัญหาณที่นั้นท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าละถึงจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุบางรูปย่อมถามปัญหากับภิกษุอื่นด้วยเหตุห้าประการทั้งหมดหรือเหตุใดเหตุหนึ่งเหตุห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ภิกษุบางรูปถามปัญหากับภิกษุอื่นเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงายสองภิกษุบางรูปมีความปรารถนาชั่วถูกความปรารถนาครอบงำจึงถามปัญหากับภิกษุอื่นสามภิกษุบางร ctions, ูปดูหมินจึงถามปัญหากับภิกษุอื่นสี่ภิกษุบางรูปประสงค์จะรู้จึงถามปัญหากับภิกษุอื่น 5. ภิกษุบางรูปคิดอย่างนี้ว่าภิกษุอื่นถ้าถูกเราถามปัญหาก็จะตอบให้ชัดเจนนั่นเป็นการดีแต่ถ้าตอบไม่ชัดเจนเราเองจะตอบให้ชัดเจนแก่เธอจึงถามปัญหากับภิกษุอื่นผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุบางรูปย่อมถามปัญหากับภิกษุอื่นด้วยเหตุหประการทั้งหมดหรือเหตุใดเหตุหนึ่งส่วนข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ว่า ถ้าภิกษุอื่นถูกเราถามปัญหาก็จะตอบให้ชัดเจนนั่นเป็นการดีแต่ถ้าตอบไม่ชัดเจนเราเองจะตอบให้ชัดเจนแกภิกษุนั้นจึงถามปัญหากับภิกษุอื่นปัญหาปุชขาสูที่5จบ นิโรทสูตรว่าด้วยนิโรธณที่นั้นท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายละถึงจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเป็นไปได้ที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาเข้าสัญญาเวทยียศนิโรธบ้าง ออกจากสัญญาวเวทยียติเนโรธบ้างหากเธอไม่บรรลุอรหัตผลในปัจจุบันก็เป็นไปได้ที่เธอจะล่วงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาผู้มีคํำข้าวเป็นพักษาแล้วเข้าถึงกายามโนใหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเข้าสัญญาวเวทยียติเนโรธบ้างออกจากสัญญาวเวทยียติเนโรธบ้างเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้ว ท่านพระอุทายีจึงกล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุจะร่วมความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาผู้มีคําข้าวเป็นภักษาแล้วเข้าถึงกายามโนใหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรดบ้างออกจากสัญญาเวทยินิโรดบ้างเป็นไปไม่ได้แน่นอนแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สาม ท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเป็นไปได้ที่ภิกษุในธรรมวิในนี้ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาเข้าสัญญาวเวทียินิโรดบ้างออกจากสัญญาวเวทียิตนิโรดบ้างหากเือไม่บรรลุอรหัตผลในปัจจุบันก็เป็นไปได้ที่เธอจะร่วมความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดา ผู้มีคำข้าวเป็นภักษาแล้วเข้าถึงกายามโนใหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเข้าสัญญาเวทยยตนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้า ง, ออาญญาางแม้ครั้งที่สท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกสุจะล่วมความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเราเทวดาผู้มีคาข้าวเป็นภักษา แล้วเข้าถึงกายมโนมัม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเข้าสัญญาวเวทยิตนิโรธบ้างออกจากสัญญาวเวทยิตนิโรธบ้างเป็นไปไม่ได้แน่นอนลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรได้มีความคิดว่าท่านอุทายีคัดค้านเราถึงสามครั้งและภิกษุบางรูปก็ไม่อนุโมทนาเราทางที่ดีเราควรจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเป็นไปได้ที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาเข้าสัญญาเวทียิสนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทียิตนิโรธบ้างหากเธอไม่บรรลุอรหัตผลในปัจจุบันก็เป็นไปได้ ที่เธอจะร่วมความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเราเทวดาผู้มีคํำข้าวเป็นภักษาแล้วเข้าถึงกายามโนหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรดบ้างออกจากสัญญาเวทยิตนิโรดบ้างเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุจะร่วมความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเราเทวดา ผู้มีคำข้าวเป็นพักษาแล้วเข้าถึงกายามโนใหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเข้าสัญญาเวทยินนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้า ง, ออาญญาางเป็นไปไม่ได้แน่นอนแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเป็นไปได้ที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้พูดถึงพร้อมด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาเข้าสัญญาเวทียิตนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทียินิโรธบ้างหากเธอไม่บรรลุอรหัตผลในปัจจุบันก็เป็นไปได้ที่เธอจะล่วงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเราเทวดาผู้มีคำข้าวเป็นพักษาแล้วเข้าถึงกายะมโนมัยชั้นใดชั้นหนึ่งเข้าสัญญาเวทียิทนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทียิทนิโรธบ้าง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 ท่านพระสารีบุตรได้มีความคิดว่าท่านอุทายีคัดค้านเราถึงสามครั้งต่อพระภักของพระผู้มีพระภาคและภิกษุบางรูปก็ไม่อนุโมทนาเราทางที่ดีเราพึงนิ่งเสียจึงได้นิ่งอยู่จากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านอุทายีว่าอุทายีทื่หมายถึงกายามโนไมยอย่างไหน ท่านพระอุทายีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หมายถึงเหล่าเทพชั้นอรุปรพรมที่สำเร็จด้วยสัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุทายีการพูดของเธอผู้เขลาไม่ฉลาดจะมีประโยชน์อะไรเธอเข้าใจถึงสิ่งที่เธอพูดหรือลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานน์มาตรัสว่าอานน์ เป็นไปได้หรือที่เธอทั้งหลายเพิกเฉยต่อภิกษุเทระผู้กำลังถูกเบียดเบียนอยู่เธอทั้งหลายคงจะไม่มีความกรุณาในภิกษุเทระผู้ฉลาดซึ่งกำลังถูกเบียดเบียนอยู่พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้พูดถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญา เข้าสัญญาเวทยยตนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทยยตนิโรธบ้างหากเธอไม่บรรลุอรหัตผลในปัจจุบันก็เป็นไปได้ที่เธอจะล่วงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาผู้มีคำข้าวเป็นพักษาแล้วเข้าถึงกายามโนใหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างออกจากสัญญาเวทยตนิโรธบ้างพระผู้มีพระภาคผู้สุคตครันตรส ด, ดังนี้แล้ว ก็เสด็จลุก ข, ขึ้นจากพุทธาฏเสด็จเข้าไปยังพระวิหารครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นานท่านพระอานนท์ได้เข้าไปหาท่านพระอุปวานะถึงที่อยู่แล้วกล่าวดังนี้ว่าท่านอุปวานะภิกษุเหล่า่นในศาสนานี้เบียดเบียนพระเถระพวกเราจะไม่ถามหาภิกษุเหล่านั้นการที่พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็น จะปราบเหตุนั้นนั่นแลแล้วยกขึ้นแสดงเหมือนที่จะพึงตรัสกับท่านอุปวานะโดยเฉพาะในเหตุนั้นนั้นไม่น่าอัศจรรย์บัดนี้ความน้อยใจได้เกิดขึ้นแก่พวกเราลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นแล้วเสด็จเข้าไปประทับนั่งที่อุปทานณศาลาได้ตรัสถามท่านอุปวานะว่าอุปวานะ ภิกษุเทระประกอบด้วยธรรมเท่าไรจึงเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายท่านอุปวานะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุเทระประกอบด้วยธรรมห้าประการจึงเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ ทิสุเทระในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลละถึงศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. มีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ 4.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 เป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอุปวานะภิกษุเทระประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายหากภิกษุเทระไม่มีธรรมห้าประการนี้เพื่อนพรหมจรีทั้งหลายจะสักระเคารพ นับถือบูชาเธอเพราะความเป็นผู้มีฟันหักมีผมหงอกมีหนังย่นเพื่ออะไรแต่เพราะภิกษุเทระมีทำห้าประการนี้เพื่อนพรมมารีทั้งหลายจึงสักการะเคารพนับถือบูชาเธอนิโรธสูตรที่หจบ โจธนาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพิษุผู้เป็นโจดณที่นั้นท่านพระสารีบุตรเรียกพิสุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำห้ประการไว้ในตนแล้วจึงโจดผู้อื่นทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เราจะกล่าวในการอัญควร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 ภิกษุผู้โจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำห้าประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจดผู้อื่นผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกผู้อื่นโจดในการอันไม่ควรไม่ถูกโจดในการอันควรก็โกรธถูกผู้อื่นโจดด้วยถ้อยคําไม่จริงไม่ถูกโจดด้วยถ้อยคําจริงก็โกรธถูกผู้อื่นโจดด้วยถ้อยคําหยาบ ไม่ถูกโจดด้วยถ้อยคําอ่อนหวานก็โกรธถูกผู้อื่นโจดด้วยถ้อยคําอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจดด้วยถ้อยคําอันประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกผู้อื่นโจดด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจดด้วยเมตตาจิตก็โกรธภิกษุพึงให้อวิปปิสารความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่พิกษุผู้ถูกโจดโดยไม่เป็นธรรมโดยอาการ5คือหนึ่ง ท่านถูกโจดในการอันไม่ควรไม่ถูกโจดในการอันควรท่านจึงควรมีอวิปติสาร 2. ท่านถูกโจดด้วยถ้อยคําไม่จริงไม่ถูกโจดด้วยถ้อยคําจริงท่านจึงควรมีอวิปติสาร 3. ท่านถูกโจดด้วยถ้อยคําหยาบไม่ถูกโจดด้วยถ้อยคําอ่อนหวานท่านจึงควรมีอวิปติสาร 4. ท่านถูกโจดด้วยถ้อยคําอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ถูกโจดด้วยถ้อยคําอันประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีอวิปปิสาร 5. ท่านถูกโจดด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจดด้วยเมตตาจิตท่านจึงควรมีอวิปปิสารผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้มีอวิปปิสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจดโดยไม่เป็นธรรมโดยอาการ5นี้ภิกษุพึงให้วิปปิสารความร้อนใจ เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นโจ์โดยไม่เป็นธรรมโดยอาการ5คือ 1. ท่านโจ์ในการอันไม่ควรไม่โจ์ในการอันควรท่านจึงควรมีวิปติสารสอท่านโจ์ด้วยถ้อยคาไม่จริงไม่โจ์ด้วยถ้อยคาจริงท่านจึงควรมีวิปติสาน 3. ท่านโจ์ด้วยถ้อยคาหยาบไม่โจรด้วยถ้อยคาอ่อนหวาน ท่านจึงควรมีวิปติสารสี่ท่านโจดด้วยถ้อยคาอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจดด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีวิปติสารหาท่านโจดด้วยการเพ่งโทษไม่โจดด้วยเมตตาจิตท่าน จ, จึงควรมีวิปติสารผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้วิปติสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นโ จ, จดโดยไม่เป็นธรรม โดยอาการห้านี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุ Version แม้รูปอื่นไม่พึงเข้าใจว่าควรโจ์ด้วยถ้อยคำไม่จริงข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกโจ์ในการอันควรไม่ถูกโจ์ในการอันไม่ควรก็โกรธถูกโจ์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทด้วยถ้อยคาไม่จริงก็โกรธถูกโจดด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจดด้วยถ้อยคาหยาบก็โกรธ ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษก็โกรธภิกษุพึงให้วิปติสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยธรรมโดยอาการห้าคือ 1. ท่านถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีวิปติสาร สท่านถูกโจดด้วยถ้อยคําจริงไม่ถูกโจดด้วยถ้อยคําไม่จริงท่านจึงควรมีวิปติสาร 3. ท่านถูกโจดด้วยถ้อยคําอ่อนหวานไม่ถูกโจดด้วยถ้อยคําหยาบท่านจึงควรมีวิปติสาร 4. ท่านถูกโจดด้วยถ้อยคําอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจดด้วยถ้อยคําอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีวิปติสาร 5. ท่านถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษท่านจึงควรมีวิปติสารผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้วิปติสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยธรรมโดยอาการ5นี้ภิกษุพึงให้อวิปติสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นโจทย์โดยธรรมโดยอาการ5คือ1 ท่านโจดในการอันควรไม่โจดในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีอวิปติสารสองท่านโจดด้วยถ้อยคาจริงไม่โจดด้วยถ้อยคาไม่จริงท่านจึงควรมีอวิปติสารสามท่านโจดด้วยถ้อยคาอ่อนหวานไม่โจดด้วยถ้อยคาหยาบท่านจึงควรมีอวิปติสารสี่ท่านโจดด้วยถ้อยคาอันประกอบด้วยประโยชน์ ไม่โจทด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีอวิปติสารห้าท่านโจ์ด้วยเมตตาจิตไม่โจ์ด้วยการเพ่งโทษท่านจึงควรมีอวิปติสารผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้อวิปติสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นโจ์โดยธรรมโดยอาการห้านี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุแม้รูปอื่นพึงเข้าใจว่า ควรโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงบุคคลผู้ถูกโจทย์พึงตั้งมั่นในธรรมสองประการคือความจริงและความไม่โกรธว่าถ้าผู้อื่นพึงโจทย์เราด้วยธรรมห้าประการคือ 1. พึงโจทย์ในการอันควรหรือในการอันไม่ควรสองพึงโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงหรือด้วยถ้อยคำไม่จริงสามพึงโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานหรือด้วยถ้อยคำหยาบ 4. พึงโจด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์หรือด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 5. พึงโจด้วยเมตตาจิตหรือด้วยการเพ่งโทษแม้เราก็จะตั้งอยู่ในธรรมสองประการคือความจริงและความไม่โกรธถ้าเราพึงทราบว่าธรรมนั้นมีในเราก็จะพึงกล่าวว่ามีอยู่และว่าปรากฏในเรา ถ้าพึงทราบว่าทำนั้นไม่มีในเราก็จะพึงกล่าวว่าไม่มีและกล่าวว่าไม่ปรากฏในเราพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเรื่องพึงเป็นอย่างนั้นแต่โมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวิ น, นัยนี้เมื่อถูกกล่าวสอนย่อมไม่รับฟังคําพร่ำสอนโดยเคารพท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตมิใช่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเป็นผู้โอ้โอวดมีมารยาเกเรฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพื่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่ไม่มุ่งหวังความเป็นสมณนะไม่มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขา เป็นผู้มากๆเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในอกมณธรรมท่อธุระในปวิเวกเกียดคร้านมีความเพียรต่ำหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวาดแกว่วงมีปัญญาสามเป็นคนเซอะคนเหล่านั้นเมื่อถูกค่าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ยอมม่รับฟังโอวาดโดยเคารพ ส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตไม่โ อ, อ้อวดไม่มีมารยาไม่เเรไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพื่อคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่มุ่งหวังความเป็นสมณนะมีความเคารพอย่างแรงกล้าในศิกขา ไม่มากมากไม่ย่อหย่อนหมทุระในโอคมณธรรมเป็นผู้นำในปวิเวกปรารบความเพียนอทธิกายและใจมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นคนเซกุลบุตรเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ย่อมรับฟังโอวาทโดยเคารพพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สารีบุตรบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตไม่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเกเรฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าผูพ้พร่ำเพื่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ไม่มุ่งหวังความเป็นสมณนะ ไม่มีความเคารพอย่างแรงกล้าในศิษยาเป็นผู้มากมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโอกรรมณธรรมทอดทุระในปวิเวกเกียดคร้านมีความเพียรต่าหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวัดแหวง่งมีปัญญาสามเป็นคนเซอะบุคคลเหล่านั้นจงยกไวสารีบุตร ส่วนคุระบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพื่อคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่มุ่งหวังความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างแรงกล้าในศิกขาไม่มักมากไม่ย่อย่อน โมทุระในโอกระมณธรรมเป็นผู้นำในปวิเวกปรารบความเพียรอุทิกายและใจมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นคนเซาะสารีบุตรเธอพึงว่ากล่าวกุลบุตรเหล่านั้นจงกล่าวสอนเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจงพร่ำสอนเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายด้วยหวังว่า เราจะยกเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายขึ้นจากอสสธรรมให้ตั้งอยู่ในสัตธรรมสารีบุตรเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลโจทนาสูตรที่เจ็ดจบ